พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่ยี่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าทั้งขอคุณและขออภัยคณะสัทธาญาติโยบลูกหลานนะ ดูดูอาหารให้ทั่วถึงเนอะวันนี้เนอะหลวงพัวเนอะี่น้องประชาชนยังเยอะอยู่วันนี้แต่ถึงยังไงก็ให้ดูดูกันอาหารให้ทั่วถึงแล้วก็เมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็คงจะหารือกันในการเก็บอธิธาต์ขององค์หลวงพ่เก็บอธิธาต์แล้วในความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าควรจะ แจกแบ่งขนาดที่พี่น้องประชาชนรักเคารพในองค์หลวงปู่ควรจะได้เอาไปกราบไหว้เคารพสักการะบูชาแล้วก็ถ้าหากว่าเราเก็บไว้นานหลวงพ่อเคยเห็นพอเก็บไว้นานลูกหลานก็หมดความต้องการหมดความที่ที่รักเคารพหลวงปู่ก็ห่างไป จึงจะออกมาแจกที่หลังก็ความขาดความสนใจของพี่น้องประชาชนลูกหลานเพราะนั้นหลวงพ่อเองเมื่ อ, เ, อเก็บอธิษฐานของหลวงปู่เสร็จแล้วเขคงจะมีการแจ ก, กนักธรนักสตัยน์ญาติโยมลูกหลานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเดี๋ยวหลวงพ่จะเป็นองค์หนึ่งละ่ะแต่ยังบม่ได้พูดกันใ น, ในเรื่องนี้นะแต่หลวงพ่อเองจะผลักดันคิดว่าควรจะแจกให้กับ ที่น้องลูกหลานาแล้วก็ขอให้ลูกหลานใจเย็นๆสักหน่อยเนาะให้ค่อยๆสักหน่อยวันนี้เพราะว่าพระสงฆ์กับไล่โม่ไล่คณะอีกอย่างหนึ่งไฟก็ยังระอุอยู่ยังร้อนมากๆอยู่ในตรงนั้นน่ะหลวงพ่อก็เองเนยยังไม่ได้คิดในจุดนั้นอีกเหมือนกันถ้าตอนนี้ไปก็พระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พอหนะ้ทีนเนาะเมื่อให้พรเสร็แล้วก็รับทานอาหารตามมัธยายใจขอ ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกทุกคนนะในฐานะหลวงพ่อเองเป็นผ้าสงที่ได้จัดงานพร้อมกับคณะสงฆ์เขตอำเภอคำี่อีน้องสูงในระแวกนี้จังหวัดมุกดาหารพร้อมกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสพระอาจารย์แจวแล้วก็คณะสงฆ์พวกมูเหล่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านที่มาจากถิ่นไกลที่มาตั้งโรงทานเสียสลับเว ล, มเวลามาตั้งโรงทานเพื่อบูชาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลขององค์หลวงปู่ถึงจะท่านผู้ใดก็าตามมาทาบุญบริจาคจะเป็นจตุปัจจัยหรือมีน้าใจ เ, เข้ามาวางดอกไม้ใจดอกไม้กันบูชาพระคุณหลวงปู่ พวกคณะเราท่านทั้งหลายก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องประชาชนขอกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายที่มาร่วมงานดูแล้วก็อบอุ่นอุ่นหนาวฝาคั่งเห็นเมื่อวานตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นมารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความรักเคารพในอมงหลวงปู่เป็นอย่างสูงพวกเราในฐานะเจ้าเป็นเจ้าของถิ่น เป็นลูกเป็นหลานเป็นเจ้าของถิ่นเป็นพระในท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารก็เห็นแล้วก็ปล้มปลึ้งปีติกับการงานที่พวกเราด้ทุ่งเสียสลับไปลาเวลาต้อนรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีฟางมีอะไรโปรแต็มไปหมดทางเต็นก็ทั้งโรงทานก็ฟังฟั ง, ฟงดูวันก่อนแต่วันนี้หลวงพ่อเองกไ็ได้ถามว่า โครงทางมีเท่าไหร่แต่วั น, ก, นก่อนวันงานบอกว่าพันหนึ่งร้อยกว่าโรงนะแต่มาวันงานจริงๆอาจจะกว่าวาโครงโครงทางของพวกเรามากทีเดียวแล้วก็เพียงพอสําหรับพี่น้องประชาชนแต่ลงข้อคิดว่าที่แรกว่าคนไม่ประมาณประมาณหกหมื่นแต่เมื่อวานนี้ดูดูแล้วแสนจะอยู่นรไม่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะถึงเรือนแสนเมื่อวานนี้ แล้วอาจจะกว่าก็ไม่รู้นะแต่ลุงพ่อย่นลงมีอยู่สามคนมีใครบ้างลุงพ่อมีโยมผู้หญิงก็โยมผู้ชายแล้วท่านแถมแฉมีกระเทยอีกคนหนึ่งเลยมีสามคนลุงพ่อมีคนหลายวันมางานลุปู่มีสามคนลุงพ่อว่านะเอออาทําไมน้อยนะกเอามีผู้หญิงกันมีผู้ชายมีกระเทยอีกแถมลุงพ่อว่าเออ แต่จะไปจะไปเอาไปพูดไหลวงน้องพ่อพูดให้พวกเราฟังเฉยเ้วพูดเป็นการภายในนะเอาไปพูดข้างนอกไปได้นะ <c oughs> นี่แหละคน ด, ดูแล้วโหเยอะแล้วก็งานของหลวงปู่นี่ก็หาดูรดยยากนะแต่ก็ไม่ใช่งานที่ไม่ใช่งานที่เออขลเลกเคหาแต่เป็นงานที่แสดงออกซึ่งความบูชาพระคุณหลวงปู่ มีดอกไม้ไฟมีอะไรเออไม่ใช่สีแสงเสียงรดนตรรดนตีแบบทําให้ยกยั่วยุกิเลสไม่ใช่กับงาน<ม>ดูแล้วก็เป็นเครื่องโปร่งรรมสังเวชเป็นเครื่องบูชาพระคุณหลวงปู่ที่พวกเราเห็นเมื่อวานนี้ก่อเป็นที่ปลื้มใจผู้ที่คิดมาคิดมาและคิดได้คิดทําไม่ใช่ธรรมดาเหมือนก่อนเหมือนกัน ก่อนที่จะทําได้คงจะใช้เวลามากโขเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงขอบอกขอขอบบุญขอบคุณในน้ําใจพี่น้องประชาชนทุกๆหมู่ทุกๆเหล่าที่แสดงออกในการเสียสละเพื่อบูชาพระคุณองค์ปู่ของพวกเราวันนี้ก็เป็นวันสิทธิสิ้นเจ็ดสิ้นลงแล้วหลวงพ่อกก่อนหน้านี้ก็ตบตุ่ตุ่มตุ่มตุ่มตุต่มอเหมือนกันนะมันจะออกมาอย่างไง แต่พอวันนี้ก็เหมือนกับฟ้าฝนเครือขนองมืดคืบมาแล้วก็ตกเทลงอย่างแรงพอถึงวันนี้ก็ฟ้าสาว่างใสว่างหลวงพ่อเขาเออฝ น, นผ่านไปแล้วพายุผ่านไปแล้วฝนผ่านไปแล้วผ่านไปด้วยดีมีแต่พ่อคุณเป็นส่วนมากหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์กับพวกคณะที่จัดงานก็ รู้สึกว่าดีใจพื่มใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วกล่าวอีกนะมาตอนนี้ไปหลวงปู่ที่เป็นประธานท่านจะอนุโมทนาให้พรนนะัต้ิน่าให้กระผมให้พรที่เรารับพรในเดือนวันนี้นะลูกหลานเนะขอโอกาสครับผม่รับพร น, นะ น, น, นัตตนะ <c oughs> นะิน่าลูกหลานนะ้ะเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราที่มาร่วม การทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้เป็นกุศลมหาศาลที่พวกเราได้เสียสละเวลามาบูชาพระคุณในองค์หลวงปู่หออลวงพ่อมีแต่บอกว่าขอบคุณขอบคุณแต่สิ่งที่ขาดตกบกพ้่องของเจ้าภาพหลวงพ่อก็ต้องขออภัยอีกเหมือนกันหนะ้าพี่น้องลูกหลานครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกหมู่เหล่า ถ้าหากว่าทำอะไรสิ่งไหนออกไปไม่เป็นที่พอใจของผีน้องประชาชนลูกหลานหลวงพ่อเองในานามพระนักสงฆ์ข อ, ข อ, ขอเอาัยจากทุกทุกท่านทุ ก, ท, กทุกดวงใจของพวกเราแต่พอใจจะให้มันถูกใจทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ให้ผิดใจทุกคนก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ที่ยังไงพวกเรางานมันใหญ่นะัลูกหลานหนะ้าพเนนะู้บาอาจารย์ช น, นะศรัทธาญาติโยมเน้า อ, อมันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะหลวงพ่อไม่ถือโทษโกรธเคืองหลวงพ่อไม่เออพูดอะไรทั้งหมดมีแต่ขอบุญขอบคุณอย่างเดียวหลวงพ่อเนะี่ยมีแต่ให้อภัยแล้วก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านั่นนะเอาต่อไปนี้หลวงพ่อจะฉันจังหันนะ่าเน่าบานนี้นะ